2. อปุโปโสสะคันทากาบหกสสันนิปาตานุชานาว่าด้วยทรงอนุญาตให้ทรงประชุมกันเรื่องปริพาชกัญญะเดรถีข้อ132สมัยนั้นพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าประทับยูหน้าภูเขาคิดจกูดเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นพวกปริพาชกัญญะเดรถีประชุมกันกล่าวธรรม ประชาชนพากันเข้าไปหาเพื่อฟังธรรมประชาชนเหล่านั้นได้ความรักความเลื่อมใสในพวกปริพาชกอัญญะเดรถีพวกปริพาชกอัญญะเดรธีก็ได้พักพวก